มีที่ตั้งหนึ่งเดียวกันมีสติมีสัมปชัญญะมาตั้งไว้ที่กายประของกายคือมันเคลื่อนไหวแล้วก็เพียรพยายามที่จะให้รู้สึกกายโดยวิธีเคลื่อนไหวเป็นฐานที่ตั้งแตละวใดที่กายมันหลงเคลื่อนไหวหรือจิตมันคิดไปอย่างอื่นก็เพียรพยายามกลับมา การเคลื่อนไหวนี่อย่าให้เป็นรูปแบบ เ, เฉยๆให้มีความรู้สึกตัวเวลากายมันแสดงออกความปวดความมัย่ยความร้อนความหนาวอะไรที่เราไม่ได้ตั้งใจดูมันเกิดขึ้นมาเองเราก็ไปเนพยายามรู้รู้สึกตัวอย่าให้อันอื่นมาชัดเจนมากกว่าความรู้ เวทนามากกว่าความรู้มันก็ทับถมของรู้สึกตัวไปความรู้สึกตัวก็เสียไปหรือไม่ชัดเจนก็ถูกเวทนาทำให้ปิดบังไว้วันที่อดีตปวปิดบังไว้ไม่เห็นกายตามความเป็นจริงเวทนาก็ออาไปหมดเป็นสุขเป็นทุกข์ไปซะมันไหลไปง่ายเราจึงมีที่ตั้งเอาไว้ หัวเลาะมันกับกายที่มันเคลื่อนไหวเวลาใดที่ไม่ใช่เห็นกายแสดงว่าถูกต้องแล้วจะได้เห็นจะได้รู้จะได้รู้เรื่องของกายนี่ว่า ก, กา ย, ยาาณปัญนานะตั้งไว้ตรงนี้อย่าเพิ่งไปผิดเราถูกให้มีความรู้สึกตัวทางที่หรือ เวทนามันจะแซงให้เราเห็นก็เห็นเหมือนเดิมเหมือนเห็นกายมีสติเห็นกายมีสติเห็นเวทนาใช่รู้สึกกรรมกรรมดการเคลื่อนไหวอย่าหลั่ก็ไปอยู่ในเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นหนาวเป็นปวดเป็นเมื่อยเป็นหิวเป็นอะไรต่างๆที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์เกี่ยวกับเวทนาทั้งหลายภายในกายภายในจิต ก็อย่าไปให้มันเด่นในเรื่องนั้นให้รู้สึกตัวชะอนิดหน่อยกลับมากําหนดเคลื่อนไหวให้รู้สึกตัวเวลาใดที่มันไปทางอื่นไม่ใช่ความรู้สึกตัวเราก็มามันจะเก่งตรงนี้เก่งตรงนี้รู้จักมารู้สึกตัวว่าไม่ใช่เก่งเมื่อมันเห็นนันนั้นเห็นอันนี้แล้วเป็นไปตามสิ่งต่างๆ มันจะเก่งตอนที่เรารููสึกตัวลู่จึกตัวกลับมาลู่จึกตัวมนเรื่องกายมันใหญ่มันก็จะไม่ใหญ่เวทนามายิ่งใหญ่ก็จะไม่ยิ่งใหญ่ก็สักแต่ภาพเวทนาสักแต่ว่ากายถ้าไปเป็นไปนกรรมันก็เรื่องใหญ่หอบพิ้วไปได้หอบพิ้วโหลไปได้ทิ้งความเพียรไม่มีความเพียรไม่มีสัมปชัญญะไม่มีสติแม้แต่จิตที่มันคิดมันก็ กบเกื้อนสติได้ให้เราได้บทเรียนจากความคิดจากจิตที่มันคิดมันก็เหมกันกับกายเหมนกันกับเวทนาเหมนกันกับจิตกายก็ดีเวทนาดีจิตก็ดีถ้าเรามีสติมันก็ไม่ต่างกันเลยเพียงแต่เรารู้สึกตัวกลับมากำหนดการเคลื่อนไหววิธีที่จะศึกษาวิธีปฏิบัติอันเดียวกัน ไม่ใช่เรื่องจิตเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องเวทนาเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องกายเป็นเรื่องหนึ่งถ้ามันรู้สึกตัวมันก็จะบอกไปเลยมันก็จะรู้ไปเลยว่ากายสักแต่ว่าเวทนาสักแต่ว่าจิตก็สักวก่าจิตไปเลยมีแต่ความรู้สึกตัวจะสะดวกถ้าไปเป็นไมกมันก็ไม่สะดวกเรื่องของกายก็เป็นขัดข้องไป is, หมดเลยยุ่งยากไปหมดเลย เวทนาก็ย่งยากกังวดเราต้องเปลี่ยนต้องหลงไว้ตรงนี้ได้จิตก็เหมือนกันเวลาใดที่จิตที่มันคิดไปก็รู้สึกตัวความคิดมีสองอย่างตั้งใจคิดและไม่ได้ตั้งใจคิดการตั้งใจคิดไม่จําเป็นต้องไปตั้งใจคิดเวลานี่เรามาใช่มาคิดเราคิดมามากแล้วเวลานี่เรามาสร้างสติ การประกอบสติถ้าเหมือนคิดขึ้นมาก็สอนตัวเองเตือนตอนเดงไม่ใช่เวลานี้เราโมาเดินให้รู้สึกตัวเรามานั่งยกมือให้รู้สึกตัวไม่คิดเรื่องอะไรก็เอาไว้ก่อนการงานอะไรที่ข้างคาอยู่ก็เอาไว้ก่อนแม่เรามานั่งอยู่นี้แม่นคิดมันก็ไม่สําเร็จต้องไปทำแบบไปค่อยไปทํากันเวลานี้เราว่าทํากรรมฐาน ก็ให้สอนตัวเองเตืนตอนตนแดงแก้ไขตนแดงในสิ่งที่มันแช่ก็แก้ในสิ่งที่เตือนก็เตือนในสิ่งที่กับเปลี่ยนก็เปลี่ยนมันจึงทำเป็นเมื่อเวลามันหลงหัรูปต่อไปก็เป็นที่แรกเหมือนกับฝึกหัดถ้าฝึกหัดมันหลงบ่อยๆมันรูปบ่อยๆระหว่างความรูป ก, กับความหลงนี่มันจะแตกต่างกัน ผู้ที่สัมผัสดูแล้วไม่มีใครสอนกันได้ตรงนี้สอนกันได้แต่เพียงรูปแบบเป็นคำพูดแต่สัมผัสสาเป็นตัวเองสัมผัสต substance. ัวเองสัมผัสความหลงสัมผัสความรู้สัมผัสความสุขสัมผัสความทุกข์สัมผัสความผิดสัมผัสความถูกต้องอย่าให้มันยิ่งใหญ่ความผิดความถูกอย่ายิ่งใหญ่ความสุขความทุกข์ให้มีความรู้สึกตัว ให้มันเป็นเอกเป็นเอกะเป็นหนึ่งเสก่อนเอกะมอโคลคือหนึ่งเสก่อนเข้าทางนี้ไว้ก่อนใช้ทางนี้ไว้ก่อนแล้วก็ส่วนอื่นก็ส่วนประกอบหามาความเพียรความอดทนถึงข่าอดทนก็อดทนถึงขาวเพียรก็เพียรเพียรพยาพยามพยายมปู้พยายารู้เอาไว้ บางทีก็เกิดทำที่เป็นกุศลหรือ ก, กุศลง่วงเหงาห่อนควบความทั ก, กายทั้งใจทำให้ความรู้สึกตัวเนี่ยจางคลายหรือไม่ชัดเจนเดอนลางไม่ชัดเจนได้แล้วก็นึกว่าเป็นเราง่วงโอเคให้เรามีความรู้สึกตัวโดยอุบายต่ตางๆเปินตามองท้องฟ้า ลุกขึ้นเดินจองกรมมือลูบหน้าลูกตารูปไปตามตัวมีอุบายต่างๆให้เกิดความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวมาอยู่ที่กายเคลื่อนไหวอจัดสู้ความง่มาได้มีอุบายอื่นช่วยลุกเดินจองกรมมองท้องผ้าทิศเหนือทิศใต้ทำความรู้สึกเป็นกลางวันไม่ใช่กลางคืนกลางวันเป็นเวลาทํางานกลางคืนเป็นเวลานอน มองกว้างๆมองไว้สิ่งแวดลอ้อมเพื่อนมิตรของเรายังเดินอยู่นั่งอยู่ปรามานั่งงงซึมอยู่บางทีก็เตือนตอนเองสอนตอนเงองได้ช่องหมายสร้างสติโดยรูปแบบอื่นหรือบางทีก็อาจจะเปลี่ยนอิบอดจากการสร้างจังหวะมันนานเกินไปมันผ้ามันไม่ชัดเจนก็นเปลี่ยนเป็นลมหายใจ เขาออกหรือตั้งต้นใหม่การยกมือสร้างจะัะอาจจะเป็นจังหวะแตกต่างกันไปยึดยกมือข้างหนึ่งกับลูกให้มันชัดเจนอย่าให้มันเป็นสายเป็นรูปแบบโดยไม่รู้สึกตัวมันจะได้นิสัยไม่ดีสร้างจหวะเหมือนกันแต่ว่าความลู่ที่มันชัดเจนมันต่างกันหาความชัดเจนให้เ จ, เจตัวเองให้สัมผัส สัมผัสกับความชัดเจนไม่ใช่เพิกไม่ใช่ทุ่มเทความชัดเจนมันเบาๆไม่หนักถ้าว่างใบบ้างบา ง, งทีไว้มันก็ไม่ชัดเจนบางทีชามันก็เฉืยชาให้มันพอดีบางทีก็แอบิเวอ์ตวก็ได้เช่นเวลามันง่วงตกฮะปรับปรปรับปรับปลุกตัวเองให้ตื่น ถ้ามันไม่ง่วงก็พปทํามแบบมันก็จินแรงเพราะไม่มีสิ่งที่เกี่ยวข้องเหมือนกับเขืองของมันสกปรกมานติดเสื้อผ้าเราทำเบาๆมันก็ไม่ออกต้องปัดออกต้องถูออกทำแรงแรงความคิดทันทีมันแรงกว่าความรู้สึกตั ว, วเขย่ยาธาตุลู่ขึ้นมาให้ลู้สึกตัวหัวเลาะอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้น เราดูรอบๆเราเห็นรอบๆไม่ต้องแปวผิดเอาถูกอะไรเกิดขึ้นเป็นเรื่องศึกษาทั้งนั้นความสุขเกิดขึ้นความทุกข์เกิดขึ้นความผิดเกิดขึ้นความอะไรต่างๆเกิดขึ้นเป็นสภาวะที่รู้เข้าไปเกี่ยวข้องอย่าเข้าไปเป็นอะไรง่ายหัดดูอย่าหัดเป็นง่ายเกินไปเป็นสุข ก, ก็ไม่ถูกเป็นทุกข์ก็ไม่ถูกเป็นผู้ผิดก็ไม่ใช่เป็นผู้ถูกก็ไม่ใช่หัดดูออกมาดู มันจะเห็นเรื่องราวต่างๆอย่างที่เราสวดพสูจมีทั้งมากมายมีสติมีความเพียรมีศีลมีสมาธิมีอะไรต่างๆที่แท้ก็คือมีความรู้สึกตัวแะแต่ว่าอะไรเป็นศีลอะไรเป็นสติอะไรเป็นความเพียรอะไรเป็นความตั้งใจมันต่างวันละมันแสดงออกเราก็รู้ ที่สก็คือมีความเพียรมีสติมีสัมจัญญยอะแต่เราที่เราสร้างจังหวะอยู่นี่มันก็ทักหมดแล้วไม่ต้องไปอ่านมันก็ทั้งหมดแล้ ว, ม, ม, ม, ลวมีความเพียรอยู่ตรงนั้นมีสติตรงนั้นมีสมาธิตรงนั้นถ้ามีความรู้ตัวมันก็ถอนแล้วถอนความพอใจความไม่พอใจมีภาวะที่รู้ที่เห็นถ้าเห็นแล้วมันก็ไม่เป็นไปของมันเอง แต่ว่าถ้าถากว่ามันเหนียวแน่นก็มีอุบายตอนความ้อใจและความไม่พอใจได้มีความเพียรตั้งมีสติให้มันไหลแรงเสริมเข้าไปมีอุบายเยอะๆการปฏิบัติทำไหนไม่ยากโดยเฉพาะความรู้สึกตัวเป็นของง่ายๆแต่เราไปทำไม่ให้ให่ายให้มันยากขึ้นมา มือนตั้งใจจนโมงเหงาหนอนจนความเคียดนีความรู้สึกตัวเหมือนกันยิ้มยิ้มผิดแย้มแฝงใสมันจะไปไหนเรานั่งอยู่นี่เรายู่อยู่นี่เราเนี่เราก็ไม่ได้ไปทําอะไรไม่ได้หอบผกความแล้วความชังมาเรามารู้สึกตัวแล้วก็สอนตัวเองดูตัวเองแล้วก็นั่งอยู่ที่นี่แล้วแล้วก็เดินอยู่ที่นี่แล้วยัง ดันไปคิดถึงโน่นตรงนี้มันก็ไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นก็เดินอยู่นี่หรือในเส้นทางเดินจงกลมแล้วก็มีการเดินจริงๆมันก็รู้จริงๆนี่คือของจริงคือปัจจุบันนี้มีจริงคู่นี้นก็ไม่จริงเมื่อวานนี่ก็ไม่จริงอะไรมันจะจริงเท่ากับกรรมฐานกรรมฐานเป็นของศักดิ์สิทธิ์แต่รู้อยู่นี่ต่อกันมันจะเกิดเลยขึ้นอันนั้นก็ไม่ต้องคำนวน แต่ไม่การกระทํากรรมจะจําแนกไปเองมันไม่ใช่เป็นสิ่งอ้อนวอนไม่ใช่อะไรมาลิชิตเป็นการกระทําของเราแท้ๆไม่ต้องไปเชื่อใครความหลงเราก็หลงเองความรู้สึกตัวก็รู้เองไม่ใช่มีคนอื่นมาทําให้เราหลงไม่ใช่คนอื่นมาช่วยให้เรารู้ความหลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา เวลาใดมันหลงก็รู้สึกตัวขนาดที่มันหลงมันดีเหลือเกินถ้าบางหลงก็หลงไปยาวรวมรู้สึกตัวก็อ่อนแอไปเรื่อยนั่นวิธีใดที่จะมันจะลู่กับเริ่มปฏิบัติขึ้กลับมาไวๆสติมันมาไวเครือขันใหม่ๆสติมันมาช้ารวมหลงมาไวมันหัดได้สติมาไวมาถึงก่อน มาถึงก่อนความสุขมาถึงก่อนความทุกมาถึงก่อนความผิดมาถึงก่อนความถูกความรู้สึกตัวมาถึงก่อนเหมือนพ่อแม่มาดูแลลูกพ่อแม่ถึงก่อนใครทั้งหมดเพราะอยู่ในอกของตัวเองก็ดูแลลูกได้ปลอดภยัยเป็นอุปการและผต่อลูกสติสัมปชัญญะเป็นอุปการและผต่อกายต่อใจอย่างยิ่ง จิ่งกว่าพ่อกว่าแม่อีกผู้เจ้าจึงให้ชื่อว่าเป็นลุกประหละมากเราจึงอย่าให้ขาดแขนหัดเอาไว้มาไม่ใช่สติธรรมดาถ้าฝึกผลตนแดงนะมีทั้งศีลทั้งสมาธิมีทั้งปัญญามีทั้งมักเหรียนทั้งผลอยู่ที่นี่ด้วยบนที่สุดก็เหนือทุกอย่างเหนือเกิดเจ็เจ็บตายได้ รวมรู้สึกตัวมีแต่ภาวะที่เห็นไม่เข้าไปเป็นแล้วไม่เข้าไปเป็นกับสิ่งใดมีแต่รูปไปรูปไปตัวรูปเป็นตัวเฉลยไปเลยผิดก็รู้ถูกก็รู้สุกก็รู้ถูกก็รู้เมื่อรู้สึกตัวมาทําถูกต้องลัความชั่วทําความดีจิตบริสุทธิ์เดียวกันรับความชั่วทําความดีจิตบริสุทธิ์ก็เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญา นัมีศีลมีสมาธิปัญญาก็มีอริมัติที่เราตวดจความเห็นถูกความคิดถูกทำถูกไปตั้งต้นจากความรู้สึกตัวไม่ต้องต้นด้วยเหตุด้วยผลทําเป็นแล้วทําเป็นไม่ใช่รู้ก่อนสอนให้เป็นเราต้องสอนตัวเองเวลามันหลงรู้สึกตัวทําเป็นหรือ ย, ยังเวลามันสุกรู้สึกตัวเวลามันทุกรู้สึกตัวเวลามันผิดรู้สึกตัวทําให้ไม่เป็น ไม่ใช่ทำให้เกิดความรู้ความรู้สอนได้สอนเรีเดียวก็รู้ทันทีแต่ความรู้มันใช่ไม่ได้ที่หมายเกี่ยวกับชีวิตจริงๆชีวิตจริงๆไม่ใช่ความรู้ชีวิตจริงๆมันเป็นตัวปฏิบัติมันเป็นตัวเปลี่ยนเช่นรู้สุขรู้ทุกข์สุขมันดีทุกข์มันไม่ดีโกรธมันไม่ดีไม่โกรธมันดีอันนี้ก็รู้ ไปว่ามันใช่ไม่ได้มันยังโกรธอยู่มันยังทุกข์อยู่มันยังหลงอยู่มันเกิดจากการฝึกขัดเอาเหมือนเราหัดพิชากาหลังต่างบางอย่างก็ได้ทฤษฎีบางอย่างก็ได้ภาคปฏิบัติโดยเฉพาะชีวิตเราไม่ใช่ภาคทฤษฎีเป็นภาคปฏิบัติชีวิตจริงๆมันไม่ต้องเป็นอะไรทฤษฎีมันรู้หลัอกอริมักเนี่ยมันเป็นทฤษฎีที่เยี่ยมยอด เอาบททฤษฎีอันนี้ไปประกอบกับจริงต่างๆได้ในกายในใจได้นอกกายนอกใจก็ได้ไม่ใช่เห็นใช่ผลสิ่งนี้มีสิ่งนี้มันจึงมีเราจึงมาได้ผลเหรียนจากการปฏิบัติจากการมีสติไม่มีอะไรที่เราไม่รู้ไม่เห็นในกายในใจเรื่องของกายรู้หมดรู้ครบรู้ท้่วเรื่องของใจรู้หมดรู้ครบรู้ทั่วมันก่อนเดียวนั่นแหละ ความหลงก่อนเดียวความโกรธก่อนเดียวความทุกข์ก่อนเดียวไม่มีมากหลายหลายอย่างไม่ใช่จะหลงแต่พื่อต่พือหลงจนตายโกรธจนตายทุกจนตายไม่เชื่อว่าความทุกข์ก่อนเดียวไม่โงกไม่งามแค่ไหนใครโกรธก็เหมือนกันหมดคนชาติใดภาษาใดโกรธเหมือนกันหมดคนชาติใดภาษาใดทุกข์ก็เหมือนกันหมดเราก็เห็นกันอยู่เราก็รู้กันอยู่ เเราหลงเราก็รู้อยู่แต่ไม่เคยเปลี่ยนทันทีเวลามันหลงเปลี่ยนเป็นความรู้ทันทีเวลาใดมันทุกเปลี่ยนเป็นความรู้จันทีเวลาใดมันโกรธเปลี่ยนเป็นความรู้จันทีตรงนี้มันไม่ทันเวลามันก็เลยเป็นแผลเป็นร้อยร้อยแห่งความหลงร้อยแห่งความทุกข์รอยแห่งความโกรธมีตลอดไปไม่เหงดไม่หายอาจจะเป็นแผลเป็นไปด้วยถ้าเรา ศึกษามันมันรักษาได้รักษาความหลงเนีย่ยรักษาได้เด็ดขะดรักษาความโกรธรักษาความทุกข์รักษาได้เด็ดขาดห า, า, า, ายหมดไม่มีร่องรอยเลยเป็นไม่เป็นอะชีวิตที่ไม่เป็นอะไรกับอะไรชีวิตม่าตรฐานชีวิตที่เป็นสุขเป็นทุกข์ชีวิตไม่มาตรฐานตัวยังสุขยังทุกข์อยู่ไม่มาสถานเลยใช่ไม่ได้เลยเงั้นต้องไม่เป็นอะไรกับอะไรทั้งหมดมีแต่เห็น การศึกษาที่แรกแล้วก็เห็นหลักได้หลักได้ฐานเราดูกายดูใจถ้าว่าเป็นภาษาดุนดุนก็ปั้นทุกดินคือกายคือใจถ้ามีสติไปไมาไม่ใช่เรื่องกายเรื่องใจไม่เป็นเรื่องรูปทำนามธรรมเห็นรูปทำเห็นนามธรรมมันก็แตกฉานรูปมันบอกนามมันบอกความเท็ความจริงของรูปเป็นยังไงในความไม่จริงมันก็มีความจริงอยู่ในรูป ในความจริงมันก็มีความไม่จริงในความไม่จริงก็มีความจริงอยู่ในรูปในนาก็เหมือนกันในความจริงมันก็มีอยู่ในนามในความไม่จริงก็ไม่อยู่ในนามเรื่งความไม่เที่ยงมีอยู่ในรูปมันก็ไม่จริงแบบของไม่เที่ยงเรารู้ทีเดียวจบไปเลยถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงเรายังเป็นทุกข์ไม่ใช่เห็นของจริงเห็นความไม่เที่ยงมันเป็นปัญญา เหนควเป็นทุกข์มันเป็นวัญญารูปนามมันบอกในความไม่เที่ยงในความเป็นทุกข์ในความไม่ใช่ตัวตนมันบอกเราเราก็ฉลาดตรงนี้ฉลาดในกองรูปกองนามไม่ใช่ฉลาดนอกรูปนอกนามไปฉลาดทํำอาหารกินนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งอัรฉลาดในรูปในนามมันเป็นไปเพื่อมรคผลในผานรูปนามมันบอกสิ่งใหย่มันก็บอกสองอย่างคือธรรมชาติ รูปธรรมชาติของนามอาการของรูปอาการของนามไม่ใช่ตัวตนเป็นอาการเช่นมันร้อนเป็นอาการของรูปมันหนาวเป็นอาการของรูปมันหิวเป็นอาการของรูปมันสุขมันทุกข์ของรูปเป็นอาการของรูปไม่ใช่ตนไม่ใช่เราแล้วก็ฉลาดไปแบบนี้ใจก่อนเอาสิ่งที่ เกิดจากรูปจากนามมาเป็นตัวเป็นตนแต่งกายเวกเคยเป็นสุขเป็นทุกข์เพราะกายแล้วกายมาเป็นตัวเป็นตนเยอะแยะเอาเวทนามาเป็นตัวเป็นตนเยอะแยะเอาจิตมาเป็นตัวเป็นตนเยอะแยะพอทำมาเป็นตัวเป็นตนเยอะแยะพอเห็นไปก็จากว่าจากว่าจากว่าถอนไปถอนไปถอนไปจากที่เคยเป็นมันก็เคยเป็นการเห็นซะการเห็นก็มีค่าน้อยๆไม่เหมือนกันเป็น เป็นสุขเนี่ยเป็นผู้สุกเนี่ยมีค่ามากถ้าเห็นมันสุกมีค่าน้อยๆเป็นผู้ทุก็มีค่ามากเป็นผู้เห็นเห็นมันทุกมีค่าน้อยๆแคบจะไม่มีค่าเลยสุกทุกเป็นธรรมชาติเป็นอาการของกายของใจของโลกของนามจึงมีการเห็นมาเห่รสชาติของโลก ขนความพอใจและความไม่พอใจในโลกเสียได้โลกก็มีรสชาติความสุขก็มีรสความทุกข์ก็มีรสความโกรธก็มีรสมีรสชาติถูกลดอันนี้ทับถมชีวิตของจักรโลกบานทีความรักของจังก็มีรสถึงกคำเฉลน่ย่าอิจฉาเบียดเบียนกันได้แค่เรามาเห็นแล้วไม่มีรสชาติรสของโลกอันนี้ก็จืดไปมีแต่รสพระธรรม รถพระธรรมย่อมชนะรถทั้งปวงเขี่ยข้อมลู่สึกตัวกับค้อมหลงเนะ่ะอะไรมันมีรสชาติวกัดสัมผัส ด, ดูได้เปล่าข้มหลงกับข้อมลูมล่ไม่มีใครแปลข้อมหลงออกะถ้าสัมผัสกับรถพระธรรมคือควอมลู่สึกตัวหัดสัมผัสมั น, นจเจริญมันเติบโตอาหารประเภทนี้มันเติบโตทางจิตวิญญาณอย่าไม่เติบโตทางอาธรรม ผมโกรธควรไม่โกรธความทุกข์ควรไม่ทุกข์อะไรมันต่างกันเคยสัมผัสตรงนี้แข่งขันดูไหมให้อาหารทางนี้ใจชีวิตเราเรามารู้สึกตัวมารู้สึกตัวเหมือนกับมีอาหารทางทำเกิดขึ้นให้มันอิ่มด้วยความรู้สึกตัวแต่ก่อนนี่มันหิวหิวความรู้สึกตัว ห, หิวมาจึงโกรธหิวมันจึงทุกข์ขาดแค่อาหาร เราไม่หิวก็ไม่หลงเราไม่ทุกไม่โกรธคนที่โกรธคือคนหิวคนขาดแคลนคนทุกคือคนขาดแคลนคนขาดแคลนคนจนคนโกรธคือคนจนคนทุกคือคนจนทุกจอยเราไม่โกรกันแล้วก็ไม่ทุ ก, กันแล้วล่าสมัยแล้วทำมหาจิตได้ลงรู้สึกตัวนะเน่ยเรื่ของที่ําได้ให่เอาไว้ก่อนเป็นวิชาเอกไว้ก่อนถ้าผ่านวิชานี้อดินก็ผ่านได้ ไม่เลยมม่ยากเวลาใดเราหลงจะนมาล่สมัยอยู่เวลาใดเราโกอดซือว่าล่าสมัยเวลาใดเราทุกข์ซือว่าล่าสมัยก็ไม่ทุกข์กันแล้วก็ไม่หลงกันแล้วก็ไม่โกรกกันแล้วเรื่องกายเรื่องใจเนี่ยเลยงว่าหลงกายหลงใจหลงกายหลงเวทนาหลงกิจหลงธรรมทาไมนั่นก็อยู่กับเราเราก็สัมผัส ด, ดูผมโกรธเป็นไงก็งไม่โกรธเป็นไงมีคําถามค่ะ ต้อไปถามใครความทุกข์เป็นไงความไม่ทุกข์เป็นไงต้องไปถามใครรู้จักเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ไหมรู้จักเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธไหมรู้จักเปลี่ยนความหลงเป็นความไม่หลงไหมนี่คือธรรมะไม่ใช่ไปรู้อื่นหัดให้มันเป็นใช่ไหะถ้ามันเป็นแล้วมันไม่ลืมยิ่งมาเห็นรูปเห็นนามไม่รู้จักลืมเลยไม่ใช่เรื่องจําไม่เหมือนเราเรียนวิชาทางอื่นต้องจํารอรู้จารู้แจ้ง วิปัสสนาคือรู้แจ้งีคหน้าของหลงี้หน้าความทุกข์เคหน้าอะไรต่างๆเลยผลที่สุดคือไม่เป็นเลยเห็นมันก็เห็นเนี่ ย, มยไม่ใช่นะเนื้เอเกิดเจเจตายเพราะว่าที่เห็นเนี่ยไม่จะไปเอาที่ไหนกันชีวิตเนี่ยถ้ายังเป็นไม่ใช่มีชีวิตเลยถ้าเห็นแล้วป็นมีชีวิตอามาตะถ้าเป็นไม่ได้ชีวิตเราลุกคุกคาม อบเหลวสุขเป็นทุกเป็นอะไรต่างๆเห็นนั้นชีวิตก็จบเสียทีไม่มีอะไรที่เราไม่รู้อันเกิดจากการจากใจเราเนะ่รู้มดมารอบเดียวถ้ามีเหมือนพระอริบุคคลชันโสดาบันชั้นสติข า, า, ามีเั้นนาคามีอนาขามีอหรหันมารอบเดียวก็หลงก็รบเดียวถ้าโกดก็รอบเดียว ม ไ, ไม่ได้โกรธเลยคิดแล้วคิดอีกเฮ้ทุกข์อีกคิดแล้วคิดอีกเรื่องก็ทุกข์ไม่ได้กลับมาทุกข์อีกหลายรอบก็มาเห็นแช่ทุกข์ก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็มาทุกข์ก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยใครจะหลอกหลอ่อมากกว่าต้องหลอกตัวเองหลอกให้เราทุกข์หลอกใหก้เราหงเราจะฉลาดตรงนี้นะศึกษาธรร ม, มนะเนี่ยไม่ใช่จะมาศรัทธาผู้นั่นผู้นี้ สัตตาอาจารย์องนั้นสัตตาอาจารย์องนี้หลงพ่อองนั้นองนี้ไม่ใช่เลยศรัทธากันการทาของเราจำอย่างนี้มันเกิดจากนี้ขึ้นมาเนี่ยนี่คือศึกษาของจริงอย่าหลอกกันลูกศิษย์หลอกอาจารย์ไม่ได้อาจารย์หลอกลูกศิษย์ไม่ได้มาเห็นเราเองมาดูเองความรู้สึกตัวใครทําให้เราความหลงตัวใครทํำให้เราไม่แต่เราเองตัวเองหลอกตัวเอง คนอื่นหลอกเพลงมาได้หลอกเราไม่ได้ถ้าเราหลอกตัวเราไม่ได้นี่แหละฉลาดกุศลเลยฉลาดเป็นบุญบุญคือใจดีกูเก่ากุศลคือฉลาดกูเก่าฉลาดอราจะทุกข์ถ้าจะเรียกว่าทําบุญก็ทําบุญอย่างสูงสุดภาวนาใหม่จเจริญภาวนาขยันรู้ขยันรู้เรียกว่าบุญ เปลียนความหลงเป็นความรู้เรียบภาวนาเปลี่ยนเลยแล้วเปลี่ยนเลยแล้วอะไรที่เป็นความหลงรู้แล้วอะไรที่เป็นความทุกข์รู้แล้วรู้แล้วทุกข์ก็หนดรู้สมุทัยละแล้วอะไรที่เมตห้เกิดความทุกข์ละได้แล้วละได้แล้วอาหารเสร็จไปหรือยังเสร็จไปแล้วละได้แล้ว มันเราเห็นงูเห็นที่แรกยังไม่พ้นไปก่อนเห็นเรียว่าญาตะปัญญาเป็นปริยาของชีวิตญาตะกัญญากาหนดรูดร้โดยการเห็นเห็นแล้วเห็นแล้วเหมือนเราเห็นงูพิษแผ่แม่เบีย้ยอันที่สองติลขณาปัญญาออกไปออกไปออกไปออกไป แต่ออกไปยังไม่ไกลยังไม่พ้นจนถึงออกไปพ้นแล้วรอบรองว่าพ้นแล้วงูอยู่นู่นอยู่ไกลๆนู่นแต่ก่อนงูมาใกล้หน้าแช้งทุก็ซึมเข้าไปในใจหระใจสั่นใจเต้อนอนีรมันจุดไปแล้วว่างลงว่างหลงทำอะไรแล้วว่างลงแล้วละได้แล้วสามลักษณะเห็นออกไป พ้นแล้วคววงหลงพ้นไปแล้วคววมทุกพ้นไปแล้วควงโกรธพ้นไปแล้วหัดทนตรงนี้กันไม่มีใครสอนเราได้เราเด่นต้องสอนเองเวลาใดมันโกรธเปลี่ยนไม่โกรธอย่าพูดข่มรู้แล้วรู้แล้วบางทีให้บัดยิ่งใหญ่จับใช้บัดนันก็ไม่ละถ้าไม่หัดนันก็ทำไมเป็นนยต้องฝึกหัดตนเอง ถ้าหัดอันนี้ลุยเลยเลยโลกเนี่ยลุยโลกเลยไม่ต้องกลัวนเพราะเราเนี่ยเพราะต้องที่จะมาลูกเราไหนเพราะเราอยู่กันเปน็นนอนมากไม่ใช่ชีวิตเราคนเดียวอยู่กันหลายชีวิตหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวข้องกันแม้แต่เดินตามถนนทางก็ไม่ใช่เราเดินคนเดียวเรต้องระมัดระวังนอกจากนั้นก็มีสิ่งเกี่ยวข้ององีกสิ่งแวดล้อม เหตุปัจจัยอาชีพต่งางๆดาสุรุุ่ร่ายอะไรที่มันไม่ดีขวรที่เลิกสูบบุหรี่ไม่ดีไม่ต้องไปสูบกินเหล้าไม่ดีเลิกไม่ต้องไปกินเหล้าหลงไม่ดีก็เลิกทุกไม่ดีก็เลิกโกรธไม่ดีก็เลิกไ ป, ไปอะไรมันทำไมเป็นฝาไหลเป็นหัวมาไหลทั่วสวรรค์ทั่วนิพพานทั่วนรกเห็นแล้วเราจะไป อ้อวอนอะไรที่ไหนยกมืออ้อนวอนอะไรที่ไหนมันอยู่กับการงาน ท, าทำของเราหุนก็คือใจดีดเนี่ยบาปคือใจไล่มันอยู่ที่ไหนใจอ่ะบาปคือใจไล่อยากได้แต่บนไม่ลาบาปบนคือใจดีลองเพี่ยนดูถ้าเป็นในพานก็จเยินไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรกับอะไรนย เหมือนกับความเย็นไม่เป็นไรกับไรไม่มีผิดไม่ไปเหมือนถ่านใ ย, ยที่มันเย็นไปจับได้เอามานอนกอดได้ถ่านใยที่มันเย็นถ้าเป็นร้อนอยู่ก็ธรรมดาคนใจร้อนเพิ่งกันไม่ได้แม้แต่เราก็เพิ่งไม่ได้มหาหัดใจตนเองเราก็เพิ่งไม่ได้เราไม่ใจเนี่ยเพิ่งได้ไหมเรามีใจิตใจเราเพึ่งใจเราได้ไหมเลยุ่มไล่ข่มดีปูพูแพรบ ไม่มั่นใจตัวเองทําไมไปไปคิดแบบนั้นใจเราใจแท้มันก็เปลี่ยนได้เนี่ยใจดีๆมันพึ่งได้ใจเย็นก็ยิ่งพึ่งได้สามีใจเย็นพันยาใจเย็นมันก็พึ่งกันได้สามีใจร้อนพัญยาใจร้อนก็พึ่งกันมาได้ใครในโลกนี้ถ้ามีแต่คนใจร้อนเราเราจะอยู่กันยังไงกฎหมายอะไรมาบังคับเรื่องไหนรัฐมนูลเลยสร้างขึ้นมา คุณใจดีๆมาฝึกัดตุนี่กันทุกคนเลมันมีทางเดียวเท่านี้คือหลักก้องถับว่ะคือศาสตาสนาเนี่ยจึงไม่ใช่ล่าสมัยทันสมัยที่สุดพระอาจารย์ตรงนี้จะได้อยู่ในโลกจ า, กทางทง่างามอะไรเดียวจา ก, การฝึกตัวนี้ไม่ใช่มานั่งฝึกยกมือสร้างจังหวะไปใช่เลยทํางานทํางานอยู่ที่ทํางานทํางานเป็นหมอเป็นนายแพทย์เป็นพายบาบาลเอาไปเลย ช่วยกันเติบเรามีคนที่ช่วยเยอะคนเกิดคนแครคนเจ็บคนตายถ้าเรามาช่วยกันตรงนี้อย่าเอาลัดต่เปรียบกันอยู่ท่ามาดีใจที่คนหนุ่มทั้งหลายไหนแพทย์ทั้งหลายคลินิกทั้งหลายในมหาศึกษาชีวิตจริงๆเนี่ยจะได้พิสูจน์กันดูซิพระพุทเจ้าท้าทายเรื่องนี้ผู้ใ ด, ดมีสติโตเนื่องหนึ่งวันถึงเจ็ดวันถึงเจ็ดปีอะมีอันสงเกิดขึ้นแน่นอน มันไม่ถึงเจ็ดปีหรอกหลวงพ่เตือนหนูว่าสามเดือนท่นเองนานะเอาจริงๆนะมันเนี่ยเรารู้สึตัวเนยรู้นะรู้เนี่ ย, ย, ยมันหลงไหมมันก็ไม่หลงมันรูน้เนี่ยถ้าไม่หลงไม่เป็นไรมันก็เป็นศีลแล้วไม่ได้ทําผิดทางกายเมื่อได้ไดโทษทางกายมันรู้อยู่แต่ใจที่รู้นี้มันเป็นไรเป็นสมาธิ ขณะที่มันหลงไปรู้สึกตัวมันก็เปลี่ยนปัญญารู้จักเปลี่ยนความหลงเป็นความโลด้การรู <Kay>. ้สึกต like ัวนี่มันก่อนละความชั่วไม่มีใครไปฆ่ากันรู้สึกตัวเราไปทํำบาปทำความอะไรรู้สึกตัวการรู้สึตัวมันก็ทําความดีผมรู้สึกจิตมันก็บริสุทธิ์แล้วไม่พุงไปแต่งมันคิดไปมันก็กลับมาไม่ได้ไปเป็นบาปเป็นกรรมเพาก่อนกรรมจิตมันละกันแล้วความชั่วทําความดีทําจิตที่บริสุทธิ์ เป็นตั้งศีลเป็นเซนสมาที่เป็นปัญญามาเป็ดพวงรลอยนี่คือกรรมฐานไม่มีหนังสือเรียนดอกแสมัยก่อนผู้เจ้ามานั่งเป็นต้นโพทำเพลนมีหายใจเข้าบางทีพระองค์อาจจะพูดว่าเหยียดแขนออการคู่แขนเข้าการเหยียดแขนออกรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้ตัวการเดินไปข้างหน้าการเดินขึ้นข้างหลัง แล้วก็หงาตามรอยนะีน่ยนี่เป็นการศึกษาเบื้องต้นที่พระพุทธเจ้าได้เป็นพุทธเจ้ากับเรื่องนี่รู้สึกตัวรู้ตัวกันนะแล้วก็มีกายรู้สึกตั ว, นนะ แ, ล ว, ตวแล้วก็หยุดนะทำความชั่วทำความดีไปเลย